สิบห้าใจจะเป็นกลางได้เมื่อเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ใจจะเป็นกลางถ้าเห็นอย่างอื่นใจจะไม่เป็นกลางใจจะยินดียินร้ายถ้าใจไม่เป็นกลางใจจะดิ้นรนทํางานไม่เลิกถ้าใจดิ้นรนก็คือการสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์อย่างแท้จริงจิตจะหมดการทํางานจิตจะรู้สภาวะทุกอย่างในกายในใจรู้แล้วจบลงที่รู้ รู้แล้วไม่เติมแต่งให้จิตทํางานใดๆต่อไปอีกหลักสําคัญของการทําพิปัสนาคือการที่รู้แล้วไม่ทําอะไรต่อไปอีกรู้จริงๆไม่แทรกแซงไม่หลงตามไม่บังคับกดข่มเป็นทางที่จิตจะเดินปัญญาอย่างแท้จริงจะเห็นว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการรู้สึกตัว